จากนี้ไปถึงกลางเดือนสี่ฤดูหนาวแล้วเรือหนึ่งค่าเดือนสี่เข้าฤดูร้อนทําหลักที่ท่านจัดเอาไว้แต่มันก็ร้อนไปตั้งแต่นี้แหละเรือหนึ่งค่าเดือนสิบไปเป็นฤดูร้อนไปถึงกลางเดือนแปดนะสิ้นฤดูร้อนเข้าฤดูฝนมาสันแต่ฤดู มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนี้แหละตามโลกตามดวงอาทิตย์ตามดวงจันทร์เราก็สมมุติเรียกมันไปเป็นการสมมุติที่มีมีภาวะเป็นสภาวะรองรับก็ว่าได้แต่เราก็เรียกชื่อมันเป็นเดือนนั้นเป็นเดือนนั้นเป็นฤดูนั้นเป็นฤดูนั้นเป็นปีเก่าแล้วเป็นปีใหม่ รอนขึ้นรอบใหม่แต่เราเรียกปีใหม่การเวลาการเวลากลื่นกินสรรพัสสัตนันว่าการเวลากลืนกินสรพพัสสัตเกลื่นกินอายุของสัพพัสสัตสัพพสิ่งทั้งหลายในโลกแต่ว่าการเวลากลื่นกินระการะการเราเห็นไปดูระการะการกินดวงราหูกินดวงจันทร์เนี่ยมันเรียกภการะการะการนั่นคือการเวลา ล่วงไปแล้วนี่ยเรียกคืนไม่ได้ล่วงไปแล้วเราเรียกคืนไม่ได้ขณะก่อนกับขณะนี้ขณะจิตก่อนกับขณะกิตนี้เดี๋ยวนี้ล่วงไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้คํ า, า, า, า ว, ว, ว, กกว่าขณะขนในท น, นี้ก็หมายถึงเวลานเวลาก่อนล่วงไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้เหมือนสายน้ําน้ํากระแสะน้ําที่ไหลผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยกลับคืนมาอีกไม่ได้ การเวลาล่วงไปแล้วก็ล่วงไปเลยกลับคืนมาอีกไม่ได้อายุและวัยผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยกลับคืนมาอีกไม่ได้ทั้งสีที่มีวิญญาณคลองทั้งสีที่ไม่มีวิญญาณคลองสี่ที่มีวิญญาณคลองก็คือมนุษย์คือสัตว์สี่ไม่มีวิญญาณคลองก็คือแผ่นดินต้น้อยภูเขารวมทั้งขนัดการเวลาคือตัวมันเองผ่านไปแล้วผ่านไปเลยกลับคืนมาไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสื่อมไปสิ้นไปวัยยะวัยยะวัถ้าเป็นอายุของสัตว์ท่านชอบเรียกวัยวัยยะวัยยะแล้วว่าเสื่อมไปสิ้นไปขยะวัยยะขยะวัยะธรรมมาอายุไขอายุไขคือหมดไปวัยสิ้นไปขยะหมดไปวัยะสิ้นไปวัยมาจากวัยะหมดไปสิ้นไป นี่คือภาวะของของทุกๆสภาวะของทุกๆสิ่งที่มันตกอยู่ในสภาวะอันเดียวกันนีหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปอยู่คงที่ไม่ได้ทุกสิ่งทุ้อย่างอยู่คงที่ไม่ได้เราดูผิวเผินเราก็ว่าจริงครอบข้างตัวเราอยู่คงที่มันไม่คงที่การเวลาล่วงไปอายุของมันก็ล่วงไปเนื้อตัวมันเองแท้ๆมันก็เสื่อมไปสิ้นไป ย่างแผนดินต้นไม้ภูเขารวมไปถึงหินผาต่างๆมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันเปลี่ยนไปยิ่งคนราเลยแล้วเห็นได้ง่ายอัตภาพหน้ากายของคนรำเนี่ยเสื่อมไปสิ้นไปเห็นได้ง่ายมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันแก่ไปตั้งแต่อยู่นู้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่น่ะมันเริ่มแก่ขึ้นมาเริ่มแก่ขึ้นมาเป็นก้อน ก้อนยางก้อนผ้าของพ่อก้อนผ้าของแม่ผสมกันเป็นก้อนเล็กๆต้องซองด้วยกล้องจุลทรรศันจะเห็นที่ผสมกันที่แรกแรดเท่ากับหยดน้ําติดอยู่ที่ปลายขนจามารีที่ถูกสลับไปแล้วเจ็ดครั้งมองเห็นไหมสลับไปแล้วเจ็ดครั้งหยดน้ําที่ถูกสลับไปแล้วเจ็ดครั้งลเล็กจนมองเห็นหลังจาก เกาะอุมกันได้สัตได้ส่วนแล้วก็จะเริ่มวัฒนาท้าวันมาเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยๆจนมองเห็นเท่าเม็ดไม้ขีดโตกว่านั้นโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนเป็นจากน้ํามาเป็นน้ำข้นๆจากน้ำข้นๆมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อโตมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขยายเป็นปันจักษ์ขาขาสองแขนสองหัวหนึ่งลำตัว เรามีตัวมีตนอยู่มาแปดเดือนเก้าเดือนแล้วจะเป็นเพศหญิงหรือวันจะเป็นเพศชายลอออกมาคลอดออกมาอออกมันไม่มีมันไม่มีม ไ, มมไม่มีตอนใดที่จะอยู่ของที่อยู่ของที่ไม่ได้อยู่ของที่ไม่ได้มีเราดูสภาวะสังขารของคนเราเราดูเห็นได้ชัดแต่สิ่งรอบข้างตัวเราเนี่ย เราดูเราดูแล้วเหมือนเขาบ่าเขาเที่ยงเขาของที่แท้จริงเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปไปเหมืนกันค็ูกุติกุฏังดูสุราดูสีดูสันดูอะไรพวกมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่ด้วเหตุที่มันเปลี่ยนไปช้าเราเห็นจนจําเจจํำชินเราก็ว่ามันคงที่มันไม่คงที่ยิ่งเปลวไฟเราดูยิ่งเห็นได้ชัดความไม่คงที่ของมันในเปลวไฟมันมีมีน้ํามัน แล้วก็มีไส้มีน้ำมันแล้วก็มีไส้ซึ่งเป็นตัวเทียนที่เราเรียกว่าเทียนเสร็แล้วมีธาตุไฟมีธาตุไฟเป็นกินเชื้อไฟในขณะเดียวกันมันกินมันกินหมดไปไฟมีธาตไฟเผาไส้เทียนทําให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาในเปลวไฟนั้นในไฟนั้นมีควันมีเปลวมีความร้อนมีความสว่างอย่างก็คือในรอจุดเนี่ยมีความร้อนมีความสว่าง แต่ละขนาดแตรับละขนาดผ่านไปผ่านไปมันจะกินน้ํามันน้ํามันก็หมดไปไส้ก็หมดไปถ้าเราอยากเห็นชัดชัดเราไปนั่งดูไปดูใกล้ๆที่เทียนมันทํางานน้ํามันที่มันขึ้นมาเพื่อเพื่อที่ใช้ไฟกินมันก็หมุนอยู่นั่นหมุนหมุมุนมมุก็ดูขึ้นมาเห็นชัเห็นได้ชัดเลยมาหลอดนี้ยทําให้ไฟติดอยู่ตลอดในไฟนั้นมีควันมีเปลวมีความร้อน และมีความสว่างในขณะที่เขาทํางานเนี่ยไส้หมดไปน้ํามันหมดไปน อ, อันนี้เรามองเห็นได้ชัดสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารตั้งแต่สองสิ่งสองสิ่งไปต้นไปจะไม่องที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนี้คือลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลักษณะประจำพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าธรรมดา ลักษณะธรรมดาหรือเรียกว่าสามา ad ad. ัญญลักษณะคือลักษณะธรรมดาสามัญญาสามัญญาเรีว่าธรรมดาธรรมดาสามัญญลักษณะคือลักษณะทั่วทั่วไปของสังขารย่อมมีชนิดนี่คือภาวะของอนิจจ์ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่คงที่ก็คือทุกขังไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือไม่คงทนไม่ทนต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อย เพราะฉนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ก็ยังงั้นเป็นทุกข์ยางไงไม่เที่ยงป็ยังงั้นมันอยู่ใกล้กันนิดเดียวด้วยเหตุที่มันไม่เที่ยงด้วยเหตุที่มันทนอยู่ในภาวะเดิมของมันไม่ได้มันเปลี่ยนไปความเปลี่ยนไปนั่นแหละที่เรียกว่าไม่เที่ยงมันทนไม่ได้เนี่ยที่เรียกว่าทุกข์อนิจจังทุกขังทั้งอนิจจังทั้งทุกขทุกขังทั้งอนิจจังทั้งทุกขขังเนี่ยคือเป็นภาวะที่เรา ไปได้ไปแปลไปบังคับบัญชาไม่ได้อนาตตาอนาตตาไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีคําว่าสุญญตาสุญญตาหรืออนาตตาเป็นอันเดียวกันความหมายอันเดียวกันไม่ใช่แปลว่าไม่มีเราต้องทาเราต้องทําความเข้าใจอนาตตาให้ถูกให้ถูกต้องนี่ภาษาศัพท์ที่เรียกว่าที่เสดยกไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะสามอย่างอนิจจังสุกขังอนาตตาอนาตตาคือเป็นภาวะที่เรา บังคับบัญชาไม่ได้เราบอกไม่ได้เราบิบไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้ไม่ได้เราต้องการยังไงก็คือเราต้องการแต่มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมันไม่เที่ยงมันไม่คงผลและมันเป็นภาวะที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ต้องอ่าน้าตาหน้าตาเพราะฉะนั้นเราได้รับทุกอยู่ประจำทุกวันเวลา เราได้รับความทุกข์เนื่องจากว่ามันไม่สงหวังไม่สงหวังจากการที่เราพยายามบังคับบัญชาสัง ข, ขารของเราเราพยายามบังคับบัญชาบังคับบัญชาพยายามกัดเอาตามใจชอบพยายามเก้เอาตามใจชอบพยายามนึกเอาตามใจชอบแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่เรานึกมันไม่จเป็นไปตามที่เราบังคับบัญชามันเป็นไปตามสภาวะของมัน ที่จะเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยเห็นที่ว่าไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์นี่เองบังคับบัญชาไม่ได้นี่เอ ง, ท, งท่านเรียว่าเป็นอนัตตาสภาวัะทั้งสามอย่างนี้เป็นสามัญเป็นลักษณะเป็นลักษณะทั่วทไปของวัตถุสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราเราใช้คํารวมกันว่าสังขารทั้งสิ่งที่มีวิ ญ, ญญาณครองทั้งสิ่งที่ไม่มีวิ ญ, ญญาณครองที่มีวิ ญ, ญญาณครองก็จเป็นอย่างมนุษย์เรา มีวิ ญ, ญญาณมาครอบวิญญาณคือมีจิตมามีจิตมีจิตมาอยู่มีจิตมาสิง่มีจิตมาม า, มาบริหารบริหารเนี่ยเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ประชุมกันแล้วก็มีมีมีจิตมาครอบมีวิญญาณมาครอบแล้วก็สังขารประเภทที่ว่าไม่มีวิญญาณมาครอบสังขารเหล่านี้เช่นอย่างไฟเนี่ยไฟเนี มีวัตถุหลายหลายอย่างมาประชุมกันแต่เขาก็ทําหน้าที่ไปตามธาตุของเขาธาตุไฟต้องมีหน้าที่ไหม้ไหมอะไรไหม่ธาตุน้ํากับไม่ธาตุดินมันมัดดนไม่มีธาตุอื่นไหม้เละธาตุไฟเลยดินน้ำลบไฟมันก็ร่างสานกันเองธาตุไฟไม่ธาตุน้ําแล้วก็ไหม่ธาตุดินไหม้ค็อสองขานไม่มีริมยานครองไม่มีความรู้ในตัวของมันเองไม่มีแผ่นดินต้นไม้ภูเขา เสากุะติศาลาแผ่นกระดานอะไรที่เราวัตถุที่เรามาใช้มาสอนไหไไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารทั้งสองประเภทนี่แหละตกอยู่ในภาวะของอนิจจทุกขงังและก็อนัตตามีเป็นเป็นสภาวะที่เด่นมากบรรดาครูทั้งหลายเขาสอนกันในสมัยพุทนั้นมีเจ้ารัติสัสดาศั ส, สดาหนหลวงกันนะสอน สอนเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยสอนเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนสอนเรื่องบังคับบัญชาไม่ได้แต่มันไม่ใช่ความรู้ที่เกิดขึ้นจับการได้กับสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจา้าก็เลยคล้ายๆกับว่าเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอยู่แค่นั้นแต่ว่าก็ก็ไปตีเป็นกันอยู่แค่นั้นหาหนทางหาประโยชน์ที่จะถือเอาประโยชน์จากการที่มีความรู้มีความเห็นอย่างนั้นถือเอาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านท่านดูดูให้เห็น เอาภาะอ น, นิจจังทุกขังของนันตตามาพูดมาเทศมาบอกมาสอนเพราะอันนี้คือภาวะแท้ภาวะดั้งนึ่งของมันเพื่อให้เราพวกเราทั้งหลายนะรู้เข้าใจว่าสี่มันนี้ไม่เที่ยงนะไม่คงทนนะแล้วเราบาุคคลบัญชา ม, มันไม่ได้นะเพื่อที่จะให้เรารู้เราเข้าใจแล้วจะให้เราปล่อยจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานและพยายามศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจาาว่าสังขารกับสัจธว่าสําคาญ ไม่ใช่ไอตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ไครทั้งนั้นสั้งขานโดยที่แท่ทังขานที่เรามาครองเนี่ยคือรูปร่างกลางตัวของเราเนี่ยเขาเป็นวัตถุแต่วัตถุนี้ถูกเกาะกลุมอยู่ได้ด้วยอำนาจดินน้ํำลมไฟถูกเกาะกลุมกันได้อยู่ด้วยอำนาจของกรรมกรรมนี้มาจากมาจากกรรมที่ติดมาในกกจิตในหัวปัญธรรมคือมีมีวิ ญ, ญญาณามาครองมาตัดจิต ที่เราเรียกเราเรียกว่าวิญญาณกับนิมาสจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาได้อัตภาพเป็นมนุษย์อมีการเจริญวัฒนธรรมวรขึ้นมาแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุที่เป็นธาตุาตดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละมาเป็นรูปมาเป็นรูปกระถาเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราจึงมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟก็มาเกะกาะกลุ่มกันอยู่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อัตภาพ เหมือนกับมนุษย์นี่แหละเกิดเป็นสัตว์ก็ได้อาถรพ่าเหมือนกับสัตว์นั่นแหละเป็นหมูเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามสยายพันธุ์ของมันไปจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามสายพันธุ์ของมนุษย์ตามภาวะตามบุญตามกรรมนี่มาเกิดขึ้นเอํานาะกลับอาศัยสังขารมาเกี่ยวข้องอาศัยสังขารมาเกิดท่านสอนให้เรารู้ว่าภาวะของอันนี้องทุกอย่านั้นามีประจำสังขารให้เราศึกษาให้เรารู้ให้เราเข้าใจเพื่อให้เราปล่อยวาง า ก, การยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวว่าเป็นตนการที่ตั้งใจตั้งใจยึดถือว่าเป็นตัวว่าเป็นตนนั่นแหละ ย, ยึดถื อ, อยังไงมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราหวังอเราจะคาดเราจะหมายเราจะยึดเราจะถื อ, อยังไงก็ตามแต่สั้งขาหนก็ย่อมเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตามใจหวังเราก็ทุกข์เช่นอย่างร่างกายจะต้องแก่เราไม่อยากแก่ร่างกายจะต้องเก็บไข้ได้ปวย แต่เราไม่อยากเจ็บไข้ไดป่วยร่างกายันจะต้องตายแต่เราไม่อยากตายเราอยากให้เป็นนิจยังเราอยากให้เป็นสุขขังเราอยากให้เป็นอัตตาตัวส่วนแล้วนี่เราอยากเป็นอมร อ, อมรคือไม่ตายเราไม่อยากตายด้วยความศาถนาไม่สมหวังจริงเราถึงทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาความแก่ไม่หยุนเราทุกข์ใจนล้นี่คือคนที่ไม่ได้พิจารณาถึงอายุไขของสังขาร เวลาความเกจยบมาเยืนนก็ทุกข์แหละในใจก็ทุกข์แหละไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นี่จะต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแล้วเวลาจะตายใกล้จะตายดินแต่แจะตายแล้วก็ทุกขอยู่นะทุกข์ดิ้นจนตายคนจะตายก็ทุกข์ไอ้คนไม่ตายคนเกี่ยวข้องไปดูแลรักษาก็ทุกข์นี่คือเราพยายามเกณฑ์ให้มันไปตามใจหวังร็จแล้วมันก็ไม่สมหวังมันย่อมเป็นไปตามภาวะของมัน คือสภาวะของธรรมโดยทั่วไปมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านวางหลักพระศาสนาให้เราศึกษาเพื่อให้เราลักจากการยึดมั่นถึงมันด้วยปาทานท่านก็เอาหลักความจริงอันนี้มาสอนหลักความยิ่งนันนี้ก็เป็นอริยสัจนะเป็นอริยสัจธรรมอริยกรรก็เป็นอริยสัจทุกขังอนัตตาเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจ แต่เป็นอริยสัจทั้งส่วนที่เป็นทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสมุทัยส่วนที่เป็นทุกข์ก็คืออัตภาพร่างกายของเราทั้งหมดเป็นตัวทุกข์จิตใจของเราเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์รูปธรรมเป็นกองทุกข์นามธรรมเป็นกองทุกข์กองทุกข์อันนี้ก็มีสามอันนี้ลักษณะอหละเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่ทําให้เราที่เป็นนักปฏิบัติพิจารณาไปรู้เห็น เล้วผ่อนคลายไม่ยึดมัน่กาานกับความทันท่นจึงมีอบทให้เราพิจารณาอัตภาพร่างกายหลายๆอย่างพิจารณาเป็นอนิจจ์ให้ท่านเห็นอนิจจ์เพื่อเราไม่มอบความไม่เอาใจให้กับมันไม่ตายใจกับมันให้เห็นเป็นทุกขงังไม่ให้เราตายใจกับมันไม่ให้สยบ ก, กับมันให้ทั้งความรู้ให้ทําความปิดใจรู้เข้าทางของสังขารเพราะว่ายึดมัน่นหรือมันไม่ได้ชัย่าง ให้เรารู้ให้เราเข้าใจเอาไว้เพื่อเราจะไม่ได้ผิดวันนี่แหะอัตภาพร่างกายของคนของสัต์มีอยู่เป็นอยู่อยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกครั้งสภาวะของพุกสภาวะของสมุทัยสมุทัยก็คือเฮให้เกิดกองพุกนี่แหละนีให้เกิดรูปธรรมเห็นให้เกิดนามธรรมให้เกิดรูปธรรมก็มาจากสมุทัยสมุทัยก็คือเหตให้เกิดให้เกิดกองพุกให้เกิดกองพุกในที่นี้ ก็เลยแก่กิเลสตัณหาอาชวะที่มีอยู่ภายในจิตของคนของสัตว์นะแม้เมื่อยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องไปแสวงหาที่เกิดถ้าทํากรรมอยากชาทารุณมากๆก็ไปเกิด่เป็นสัตว์เลี้ชานเป็นเปรตเป็นส่วร่งกายไปแต่ถ้ามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์ได้ก็กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ตามบุญตามกรรมกิเลสต่างๆนั้นพระดันให้ได้ให้เราได้รูปสมบัติตามบุญตามกรรมของมันพิษสง์ของกิเลสก็คือ ความโลภความโกรธสาเหตุมาจากความลุ่มหลงทั้งหมดนั่นแหละมาจากความลุ่มหลงคือภาวะที่มันเกิดสลับซับซ้อนกันไม่ไม่ไม่รู้จกจบไม่รู้จกสิ้นโดยเหตุที่การเวลายืดยาวไปในบันแต่สงสารทําให้นําเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีประมาณเกันกลับกับกันเกิดเกิดเอาความทุกข์เกิดมาด้วยแก่เหตุแล้วก็ตายเกิดแก่แล้วก็เหตบแล้วก็ตาย เกิดบานภพบานชาติก็ไกลนักปราดผู้รู้ก็สอนให้เรารู้เรื่องหลักความจริงอยู่บ้างเกิดพันศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ทําให้เรารู้จักศัจธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างบางกลับไม่ไม่ได้เกิดอยู่ทํากลางพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้สอนให้รู้จักว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้นกิเลสเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังถึงแม้ว่าเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็มีคุณธรรม แค่ได้เป็นมนุษย์เทนั้เองโอ ก, โกาสที่เราจะเข้ามารู้จักศัจธรรมเป็นภปได้ยากรู้ยกากก็ใจยากแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีมุ่งวาสนาบารมีเกิดในปฏิรูปประเทศมักจะไปเกิดตามกลับไปเกิดในกลับที่มีพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็ได้ยินได้ฟังด้วยแล้วก็บำเพ็ญทําปฏิบัตทิทำบางคนก็ได้บรรลุธรรมในพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ย ท่านพูดเปรียบเทียบเอาไว้มากมายกว่ากวางเมล็ดชายในะแม่น้าําคงคาพระพุทธเจ้านะมากมายถึงขนาดนั้นนะเสร็จแล้วพวกเราไปอยู่กันที่ไหนคงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างะเป็นกระรอกกระแตเป็นเต่าเป็นปลาเป็นปูเป็นอะไรไป น, นั่นคนที่ท่านได้อัตภาพดีดีท่านก็ได้ฟังอัดฟังธรรมก็บรรลุมรรคผลขันธนะ์ภัยมนนครับ พวกเราก็คงจะมีส่วนใกล้เคียงอยู่บ้างเราถึงได้ได้เกิดมาในถ้ำกลางที่พระศาสนาของพระองค์ยังทรงยังทรงอยู่ยังมีอยู่เนเราก็ไม่กมิเราก็ไม่เสียทีเสียโดยไายเดียวเราคงจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างเราจรึงมีโอกาสอยู่ถ้ำกลางคําบอกคําสอนทําให้เรารู้จักอนิจจทุกขัมอนตตาทําให้เรารู้จักว่าทุกทําให้เรารู้จักสมุทัยคือกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุก แล้วก็ทําให้เรารู้จักข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงวางไว้ที่จะเรียกว่ามรรคอริยมรรคโยมไปให้เรามีิมีพิจิตติกระจายอยากหน้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากหุดอยากพ้นเหมือนท่านแล้วก็ผู้องกตั้งใจปฏิบัติจนเป็นอย่างห้กิเลสทั้งหลายต่วงดับลงไปเป็นนิโรธเป็นเป็นชั้นเป็นภูมิไปเราก็ไม่เสีย Spencer. ทีเสียทีเดียว <M> mm> เมื่อเราอยู่ท่ากลางตรงนี้แล้ว เราก็ควรจะตั้งหกตั้งใจสร้างเนื้อตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหกตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติให้เต็มเป็นไปให้ได้เรามาพิจารณาดูความทุกข์เวลามันเกิดขึ้นภาในหั ใ, ใจมันมีความทุกข์ไม่ต่างอาไรกับไฟไหม้อหละมันไหม้สมอยู่นั่นแหละความทุกข์ที่มีมันกัดกินหัวใจของคนของสัตว์เสัตว์เขาเกิดในภพภูมิที่เขาต้องไปเสวยกรรมเป็นหมูเป็นมา้าเป็นเป็ดเป็นไก่เขาก็มีอายุขัยอยู่ตามภาวะของเขา เป็นภพเป็นชาติที่เขาไปสวยตามอำนาจของกรรมเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาเกิดเมาวัดเกิดขึ้นมาสวยตามวาระของกรรมถ้าหากไม่สร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมก็อาจจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องไปชดใช้กรรมมากหนักกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตไปเป็นนรกาไปอบายตกนรกตามอำนาจของกรรมที่เราสร้างกันแต่ถ้าหากดีหน่อยก็เป็นมนุษย์ ดีกว่าพพภูมิที่จะมาเกิดในมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาวเทวดาวหลายชั้นโดยเฉพาะสวรรค์หกชั้นเนี่ยท่นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปรินิมิตวสวดีสวรรค์หกชั้นจากนั้นไปแล้วก็พราอมีกที่ท่านตรัสไว้ในในใ น, ในธรรมจักรกับพัฒนานนสูตรพระเจ้าท่านทรงตรัสไว้ในสูตรการแหรในเทศกรรันแห้กนั่ นาทำมาจับกลับปกตินาสูตรไปไล่ดูมีกี่ พ, อพ่อขภูมิไปไล่ดูสวรรคหกชั้นพรหมสิบหกชั้นอืสุทาวาสพรหมโลกอสี่ชั้นล้วนจะเป็นที่อยู่เป็นพบเป็นภูมิเป็นที่อยู่ของวิญญาณของสัตว์กว่าจะหลุดจากพรหมกว่าจะได้คุณธรรมเป็นพระโสดาสกิพาคาพระนาคาหลุดไปหมดพระอรหันต์ท่านจะอยู่กับเรานี่แหละ ท่านไม่ได้มีอยู่โลกตรงนั้นโลกคนนี้อยู่เป็นพิเศษต่างหากครูที่เจ้าท่านไม่ได้ทรงแสดงเอาไว้สมอยอ่างอย่างเราอยู่ในโลกนี้เราปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าถึงนิพพานทำร้ายขิตของเราให้บริสุทธิ์ชังขานที่เป็นเรื่องของกิเลสมรรอกุ้มขิตใจของเราที่เป็นส่วนนามธรรมให้หนามธรรมเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์หมดจด ปัจจัยทั้งขานที่เป็นสมุทยมาเคลือ่อนมาเฟนมันเป็นตัวกิเลสตันหาสภาวะมาเคลื่อนมาเฟนเป็นถ้ารู้เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ทาเข้าถึงความบริสุทธิเป็นพระอรหันต์พอท่านเข้าอนุปาทิเสสนิพานคือท่านละขานไปแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปเกิดอีกท่านไม่ต้องไปเกิดอีกท่านก็อยู่ในนี้แหละอยู่กับโลกเรานี่แหละแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็น เนื่องจากถ้ารู้นี่จะไม่เสื่อมไปจากโลกทั้งส่วนรูปปัตธรมทั้งส่วนนามธรรมถ้ารูปปัตห์ไม่เสื่อมไปจากโลกนามาธาต์ก็ไม่เสื่อมไปจากโลกคงคงอยู่ในคงอยู่ในโลกนี่แหละนามาธาต์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละแต่อยู่อีกมุมหนึ่งซึ่งเรามองเห็นเรายังเกี่ยวข้องกับสมมุติอยู่จริงวัะนั้นท่านพ้นไปแล้วท่านเป็นวิมุต เพราะฉะนั้นเรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้แต่ผู้ที่ท่านตั้งตั้งใจศึกษาทำปฏิบัติทำก็สามารถจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้กับท่านที่ล่วงไปแล้วรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ด้วยตัวของตัวเองที่สามารถทําได้ทําถึงก็สามารถเข้าไปรู้ได้ทํำกิเล้บริสุทธิ์ได้อย่างว่าร้านเนี่ยท่านบรรลุแล้วไม่ใช่ท่านจะ่ปุกบปับดับคันพระสูนิทานโดยทางเดียวท่านยังมีชีวิตอยู่ เหมือนพุทธเจ้าหลังจากท่านได้ตรัสรู้เป็นพระสมณาธรมพุท ธ, ธาแล้วท่านก็เอาท่าแขนนี่แหละเที่ยวเทศนาบอกสอนตั้งเป็นประศาสนาขึ้นมาให้มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกเป็นเวลาถึสี่สิบห้าพระพัรศาเป็นเวลาถึงสี่สิบหาพระพรษาพระสงฆ์สาวกทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านจะเอาท่าแขนของท่านนี เที่ยวประกาศพระศาสนาช่วยพระพุทธเจ้าบางองค์ก็อายุเท่านั้นปีบางองค์ก็อายุเท่านั้นปีอย่างภาษาที่บุตรเนี่ยพระโมกขลานั่นภาษาที่บุตรพระโมกขลานั่นเองปฏิญี่ปานก่อนพระพุทธเจ้าพระโมกขลานั่นเองปฏิญี่ปานก่อนพระพุทธเจ้าคือเข้าสู่ปฏิญี่ปานตายก่อนพระุทธเจ้าว่างั้นเถิดแต่นัาเรียกทัานใช้ว่าปริญี่ปานปรินี่ปานได้วัดดับร้บ กิเลสก็ดับหมดธาตุขันธ์ก็ดับหม ด, ด, หมดเหลือแต่นามธาตุที่บริสุทธิ์พระสารีบุตรก็ปณิธานก่อนพระพุทธเจ้าปณิธานทีหลังสมัยพระพุทธเจ้าท่านเข้าสู่ปณิพธานเนี่ยไม่มีพระอัค ร, าารสาวกทบงซ้ายเบืงขวาไม่เนี่ยหลังจากทา่านได้บรรลุธรรมได้บนุธรรมแล้วท่านเราธาตุขานธ์ของท่านเลยเที่ยวประกาศศาสนาบอกสอนเวไนยยสัติทุกทั่วไป บางคนก็ตั้งอยู่ในไตรสรณคมระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกบางคนก็ได้เป็นพระสโสดาบันบางคนก็เป็นพระสุตติทาคาพระอนาคาบางองค์ก็ได้บางคนก็ได้เป็นพระอาจาร <Glue. S 1> บางอ <incorporate S 1> <ม>งค์บางคนก็ตั้งอยู่ในไตรสรนคมต <multitude. S 1> <Understood. S 1> างคนต่างได้รับประโยชน์ พวกใส่พวกอะไรต่างๆที่มีส่วนมาเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอานิสงส์ที่มาเกี่ยวข้องก็ทำให้เขาเนี่สามารถจะพัฒนาภพภูมิไปในคิดทางที่ดีเช่นอย่างหมาชื่อโคสการหมาชื่อโคสกาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเขาเป็นหมาเป็นหมาเศรษฐีเศรษฐีนี้มันพระพระอรหันต์เนี่ย ถ้าฉันไปจำที่บ้านมาอุสกา ก, ก็ได้เหา่านำทางที่ท่านเดินเข้าเดินออกจากบ้านนะเวลาท่านเดินออกมาก็เหา่านำทางไปไล่อสศรพิตอะไรต่างๆที่มันอยู่รอบข้างเวลาท่านเดินเข้าบ้านมาบเดินเท้าหอนนำทางเน่ถือว่าก็ได้ทำประโยชน์ปอดตายปุ๊บเขาได้ไปเป็น เ, นเนทพบุตร เป็นโคศกะเทพบุตรเนี่ยโอกาสที่ศาสตร์เขาได้ทำคุณาความดีเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีกิจบริสุทธิ์มีผลเหมืหอนสองเหมือนกันเหมือนมีความเป็นไปความเป็นมาของธาตุขันธ์ของเราก็มีแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่ที่จะทําให้เราเนี่ยพัฒนาท้าวรไปในวัตฏสงสารถ้าหากเราไม่รื้อไม่ตัดไม่ถอนเนี่ยคือกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ย จบท้่สิ้นอืเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวัตถุตวัฏระวัฏฏะกิเลสเป็นเหตุให้เราทกรรมกรรมที่เราทํำลงไปนี่แล้วนั้นอ่ะกลายเป็นวิบากวัตถวัท่านจึงใช้คําว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลกรรมวิบากเอากิเลสขึ้ น, นก่อนกิเลสกรรมวิบากแต่ถ้าไม่มีกิเลส พระอาหารหันต์ที่ท่านชนะกิเลสหมดหมดจากใจเนี่ยท่านไม่มีท่านไม่มีวิบากกรรมท่านมีแต่กิริยากิริยาคำพูดทางกายทางวาจาทางอะไรท่านทํำยังไงก็ไม่มีไม่มีส่วนเป็นวิบากกรรมเพราะท่านทุกพาชนะที่เป็นสิ่งคอยเก็บกรรมเน่ยท่านทุบทิ้งหมดนลคืออวิชชาตันหาวปาทานะ นี่เป็นพายชนะของกรรมทำลงไปแล้วอ้สิ่อาอแสิ่งเล่เนมักกัดเอาไว้กลายเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นที่ท่านทำท่านทาสัตวะกรรริรียาความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่รูปร่างกลางตัวที่เรามองความเป็นพระอรหันต์ของท่านไม่ใช่ขันตั้งห้าที่เรามองเห็นเป็นรูป เป็นจิตที่ท่านชำระได้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ที่ท่านชำระสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเคลือไม่มีสิ่งแฝงให้เกิดราคะโทสะโมหะเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้ดุจชนท่านชำระที่มา น, นี้หมดไปแล้วท่านถอนตันหาวปาฏฐานจากขันธ์ทั้งห้าหมดหมดจดโดยชิ่งเฉยหมดไปแล้วสิ้นไปแล้ว S 1> <S 1> ถึงนั้นนะท่านเรียกว่าบรมสุขบรมบรมสุ ข, สขเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องมาเบียดท่าเบียขันเป็นความถุกเป็นความสุขที่อยู่กับผู้รู้อันเดียวเป็นสังขารอันเดียวเป็นผู้รู้อันเดียวเป็นธรรมก้อนเดียวเป็นธรรมแท้ไม่มีสังขารเป็นสองสังขารนักตั้งแต่สองขึ้นไปแล้วเป็นอนิจจังทุกขังนักตา เนื่องจากว่าเมื่อมีสิ่งรวมสิ่งที่ไปรวมกันแล้วก็จะต้องมีการแต่เทียกกันแต่ถ้าชำระจน<ม>บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งไปรวมไม่มีสิ่งไปเคลือบไปไหนก็จะเป็นสิ่งที่คงที่ที่เขาเรียวกว่านิดจังเที่ยงสุขขันบรมสุข<ม>แล็ดำรงตนอยู่อย่างนั้น ตลอดอนันตการไม่มีขีดไม่มีขั้นไม่มีการไม่มีเวลาไปจำกัดไปเกี่ยวไปข้องไม่มีว่าจะต้องไปเกิดเท่านันเท่านั้นปีท่านี้ีไม่มีไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีวัยเข้าไปจำกัดไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้อง มันก็ต้องดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลนั่นแหละเที่ยงเถียงแพ้แน่นอนไม่มีไม่มีมมมมอนิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทุกขังเข้าไปเกี่ยวข้องอนัตตาก็ไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านไม่เรียกอัตาเป็นธรรมแท้เดียวก็จริงอยู่ท่านไม่ียกอัตาท่านเรียกว่าอนัตตานัตตานัตตานี้ไม่ใช่ภาวะของพนันพา บางคนพยายามจะไปเรียกพระนิพพานให้เป็นอนัตตานัืพยายามจะเรียกพระนิพพานให้เป็นอัตตาก็คิดไปคาดไปเดาไปหมายไปทำให้คนที่ด้การศึกษานี่ต้องสับสนรป ต, ตามนั้นเนื่องจากไม่เข้าใจถ่องแท้คิดไปคาดไปเดาไปนิพพานพ้นจากอัตตาหรืออนัตตาแต่คาว่าเที่ยงทันใช้อยู่ เป็นภาวะที่เที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เป็นสังขารท่านเรียกวิสังขารท่านไม่เรียกสังขารคาว่าสังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบมีหลายๆปัจจัยมาประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารผู้รู้ที่บริสุทธิ์ท่านไม่เรียกสังขารเป็นธรรมธาตุต <ningar> ่ learn learn างจกใช้คาว่าธรรมธาตุเป็นธาตุธรรมคือธรรมชาติของธาตุนั้นๆที่บริสุทธิ์ นั่นคือภาวะที่สูงเป็นภาวะที่ละเอียดเป็นภาวะที่ประณีตเป็นเป้าหมายที่พวกเราที่เป็นนักศึกษาทำนักปฏิบัติทมพยายามดิ้นรนแสวงหาและพยายามก้าวไปถึงซึ่งเป็นอุดมคติของพวกเราทุกคนอาเพราะฉะนัะ้นเนาะ